ไม่มีเสียงตอบจากหญิงสาวเธอซบหน้าลงกับไหล่ของพ่อพร่ำออกมาเบาๆว่าอย่าเลยฟ้าบาทพระองค์กับหม่อมชันอยู่กันคนละฐานนะหม่อมชันเป็นเพียงสาวใช้ของพระองค์เท่านั้นข้อนั้นชันทราบแล้วชริตาชันสงสารเธอเธอไม่สงสารชันบ้างหรือชริตาไม่ตอบ